ความทุกข์ของคนเรานีโยมนะมีอยู่ในตัวด้วยกันทุกคนเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บระห่ ว, ว, วยป่วยไข้มีแต่ความทุกข์ทั้งความฉุกม่นอยู่เลยตายจากโลกไปก็มีแต่ความทุกข์เราจะต้องพลาดพลาจากของที่รักไปก็เป็นทุกข์ เต่ไปที่นาทิดายมากว่ะเราจะจากกันก็ตอนตายเป็นชาติธรรมดาการเสียใจเรื่อยจากกันตอนเป็นเนี่ยมันเห็นใจกันเหลือเกินสามีเลิกกันมีลูกตาวยกันจะแลจากกันมาเป็นใช่แล้วหรือนาจะต้องจากกันตอนตายแต่ก็จำเป็นจะต้องจากกันล้วเวรกรรมตามสนองทำให้ผัวเมียแยกการประสุกเข้าไปเส้าแท้ สามีภรรยาก็ต้องแยกกันไปคนละหัวคนละหางลูกก็แยกกันไปเป็นการกดแห่กรรมอย่างชัดเจนเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีความสุขสนุกสนานในชีวิตแต่ประการใดอย่าละเลงหลงไปอย่างนั้นเลยอย่าโยมทั้งหลายที่เรามาเจริญสักกามฐานเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยตายเวทนาจิตธรรม ก็ต้องการให้รู้ทุกเราจะต้องแก้ไขทุกในตัวเองทุกประจําก็คือเกิดแก่เจ็บตายเจ็บระหวยป่วยไขย้ขณะนี้เราเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นโรคอะไรมันมีความทุกตรงไหนตัวทั่วสปละกายแล้วนะับนี้เนะ่ะเป็นไ่ายอย่างแรงเนี่คืออตาตมาเนะี่ยเราก็รู้ทุกอ๋อทุกนี่ประจําตัวเราก็มีเจ็บระหว่วยป่วยไขย้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นจากความทุกข์อันป่วยไข้หนี้ไปได้เดยกันทุกคนต้องมีความเจ็บปวดรวดร้าวทั่วสกุลากายไหนปวดรวดร้าวทั้งด้านกายยังไม่พอปวดรวดร้าวทั้งจิตใจเจ็บใจอีกไม่ใช่น้อยก็ตัวเราก็จะต้องประสบมาด้วยกันทุกคนไม่มีใครเลยที่จะต่างแตกแตกกันไปได้เหมือนกันหมดทุกเกิดนี่มันทุกข์เหลือเกิน เกิดในครรนของมารดามีแต่ความทุกข์ทั้งอยู่นอนในครรนถึงเต้าเดือนสิบเดือนครึ่งคาออกจากครับผ่ามีแต่ความทุกข์ทั้งหาความสุขไม่ได้เลยจริงๆถ้าโยมเข้าใจเรื่องมึกชากตอนอยู่ในท้องแม่ได้ไม่มีความสุขเลยแล้วอยู่ในท้องนัง่งยองๆท้องของมารดามีแต่ความทุกข์ในครรนของมารดาปฏิสนธิคล อ, อดมาก็มีแต่ความทุกข์ ถ้าจําความได้ก็จะเกิดแกเจบ็บตามันก็ป่วยเรามีลูกปลอดมาก็ต้องป่วยต้องไปหาหมอเยียวยาตลอดเป็นเด็กๆเล็กๆ ก, ก, กว่าจะเจริญไวชนะสาเนี่ยมันมีทุกข์แค่ไหนนะเราก็ยังไม่เข้าใจทุกอันนี้เลยการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานที่โยมมาปฏิบัติธรรมต้องการตรงนี้เนี่ยต้องการรู้ตัวทุกข์ที่เราจะแก้ไขทุกข์ให้มันเกิดความสุขขึ้นมาบ้าง ไม่ใช่มานั่งไปสว่างนี้พานมาจิ้มจีนหัวจามหลายคนเนี่ยแตมาเห็นชัดไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเลยนะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติไมไ่ตั้งใจกําหนดจิตให้มีสติปัญญามแม้แต่ห้านาทีเลยแล้วโยมจะไปเอาอะไรตรงไหนนะมันจะไม่ได่าอะไรไปเลยนะก็มากันอย่างนั้นแหละสังฆ์ตายมากันแล้วมาเนะี่ยม่ได้ความสุขกลับไปเลยมีแต่ความทุกข์แต่ไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้เลย อย่างนี้เป็นตน้นแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักเอาอะไรมาเป็นหลักอยากโยมที่มาเนีย่ยไปบวชชีพรางตามวัดวุ่นวายกันมากเดี๋ยวติกันเท่เท่กันไม่พักอาทิผัาปาแจกกันด่นานั่นวุ่นวายไม่ใช่บุญบุญเนี่ยต้องเกิดความสุขด้วยความสงบถ้าไมา่มีความสงบในจิตใจแล้วไม่เป็นบุญเนี่ยเป็นบาปเป็นบาปไม่เป็นบุญให้แก่ตัวเองแก่ประการได้ ออกมาทำนองนี้ชัดเจนมากโยอมมาสงบถ้ายมรู้จริงยิ่งสงบรู้จริงในตัวเองรู้เกิดแก่เจ็บตายรู้พลาดลาจากกันจะต้องพลาดพลาจากของไปที่รักของที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายทั้งเพิ่นไม่มีใครแพกแต่กันต้องอยู่ในตำรา น, นี้แนนอนที่สุดพุทธเจ้าสอนแล้วเป็นความจริงไม่ต้องสงสยัย ไม่ต้องไปถามใครที่ไหนถามตัวเอ ง, างเาการเจริญติป่าฐานสี่ตายเวทนาติดธรรมก็ทาไม่ได้จริงเดือนหน อ, อก็ยังเอากันไม่ได้ได้โยมจะตาลายฮะจะไปทำตรงไหนจะไปเอาทำยามตรงไห น, นะจะไปสวรสด์นิพานตรงไหนแค่เรามีสมบัติมนุษย์อยู่ในตัวแล้วครบออกยังเอาสมบัติมนุษย์ไปทิ้งทุกสิ่งกลายเป็นไม่ใช่เป็นมนุษย์ จิตก็ไม่ใสยใจก็ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เช่นนี้แล้วไหนเลยเราโยมจะเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงธรรมะไดา้จะไม่เข้าถึงเลยอาตมาดูคนออกแล้วคนที่ปากเป็นบุญาจเป็นบาปทั้งนั้นหาเรื่องหาราวการนินทาจนเสริญเจริญผ่อนตลอดในยตาคนที่รู้จริงในธรรมะแล้วเขาไม่วุ่นวายรู้จริงยิ่งสงบปลารดธรรม เขาจะไม่อยากจะพูดอะไรและไม่อยากจะว่ากล่าวใครเลยไม่ต้อง น, นินทาใครแล้วเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของเขาเองเขาเป็นอย่างนี้นะ่ะนิจัยอย่างนี้มันก็โวยวายแล้วโลกประสาทมันขึ้นมันก็โวยวายถ้าเรารู้จริงแล้วยิ่งสงบจะไม่ต่อต้านต่อไอ้คนโลกประสาทยอย่างนี้สติดีแนละ้วสมประชญญานยะดีกำหนดจิตตั้งสติไว้มั่งี่ยืนเดินนั่งนอน จะเลี้ยวซ้ายแลวขวากู้เด็กขาไม่สติสัมปชัญญะกําหนดจิตได้ไหมยืนหนอห้าครั้งให้ด้บางคนถามว่าปวดแล้วก็กำหนดง่ายปวดหนอปวดหนอ่อยเอาจิตไปที่ไหนไม่รู้ปากก็อ้าปากว่าเขาไปปวดหนอเท่านั้นเองแล้วก็เลสรู้ไม่จริงต้องเอาสติไว้ที่ปวดนูน้นไปปากไว้ตรงนั้นแล้วกําหนดว่าปวดหนอปวดหนอ น, นี่เวชนาะ พอรู้จริงแล้วเกิดขึ้นนัง่งดูดับไปอุปาทานก็มายึดจิตก็สบายไม่แต่ยึดถือมันอีกต่อไปอย่างนี้หรอกนะไม่ใช่อย่างอื่นพอรู้จริงซะแล้วก็ไม่ต้องไปเกาะมันหรอกไม่เกาะมาแล้ ว, ไ อ, ลวไอ้ความปวดมันก็สงบไปเองนี่รู้จริงยิ่งสงบไม่อยากจะไปมินทาใครเดนถ้าโยมเนี่ยชอบมินทาชอบใส่ร้ายไปสี่ครั้งนั่งปฏิบัติ ท, ทําให้มันเห็นธรรมะหน่อยใช่ไหม พอมีสติสัมปชัญญะครบมานด้ย้อมจะไม่อยากว่าใครไม่อยากจะนินทาใครไม่อยากจะเอาเรื่องของใครมาเรื่องทั้งตัวก็เต็มเป้าเต็มกระเป๋ า, เ, ป า, เ, ปาเสียไปเอาเรื่องคนอื่นมาอีกหรือหน้าปฏิบัติธรรมอย่าไปเอาเรื่องเอาลากับคนอื่นมาแล้วปฏิบัติตั้งใจจริงๆจะมีกินแค่ไหนเขาก็มีให้กินไม่ต้องไปว่าว่ากับข้าวอร่อยไม่อร่อยไม่ต้องพูดกันขานาคพระพุทธเจ้าเป็นจกกักรพรรดิจะกเรเสวยพระย า, าหา์หที่ในประสาทหรืหวังใหญ่ก็ได้ แต่พระองค์เป็นนักบวชแล้วเป็นบรรพชิแตแบบเสวยอาหารยังไงก็ได้ข้าวก็ดำแดงแดงก็ดำแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มจิจตทะไม่เต็มใจกลืนแต่จิจตถะเอ๋ยบัดนี้เราเป็นนักบวชแล้วจึงจะสอนพระว่าปฏิสังขาโยนิโฌบินท ป, ปาตังปฏิเสวะมิพิจารณาอาหารก่อนเพื่อโพชเนมตันยุตตา รู้จักการประมาณอาหารพอสมควรไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพื่ อ, อยังชีวิตไว้ในวันนี้ต้องการจะบำรุงสันขาร่างกายเท่านั้นและรารักษาสิ้นแปดก น, นียปฏิบัติกรรมฐ า, านดีที่สุดเราไปในกรุงเทพบางแห่งเข้าไปปฏิบัติเขาไม่ต้องรับสิ้นแปดรับสิ้นชีวะแล้วกินข้าเย็นกินผลไม้ได้พระเจ้าไม่ได้สอนเลยถ้าผู้มีธรรมะปฏิบัติฝึก ต้องเว้นอาหารเช้าบำ ร, รุงร่างกายอาหารกลางวันบำ ร, รุงงานอาหารเย็นอาหารโต้ลูกนะบำ ร, รุงตามมาคุณก็เราปฏิบัติทำไปบำ ร, รุงตามมาคุณทําไมล่ะให้รู้แจง้งเห็นจริงหน่อยได้ไหมโยมจะได้ของปลอมไปทำ ง, งานไปนั่งกรรมฐ า, านในห้องเย็นอ้ยวัด น, นี้เดินเดินจกกอมในปา่าแต่พระพุทธเจ้าท่านอยู่โคนไม้เลยใช่ไหมท่านเป็นอะไรฮะ ถ้าไปหาแสวงหาที่ชี่สงอกคนมาเรียนว่างวางเปล่าไม่บุญวายเราก็อย่าไปบุ่ญวายก็ใครเขาเช่อใครบุ่นวายเราก็อย่าไปบุนก็เขาตรงนี้จะถึงจะได้ผลถึงจะได้อันนี้สองแต่คนนะ่มาทีิฐิตัดปฏิโภืกังวลไม่ได้มาว่าคนโน้นว่ า, นวาคนนี้รับรองโยมทําตรมฐานไปร้อยปีไม่ได้ผลเป็นบาปนะไม่ได้ผลนะั่นแหะเนี่ยตรงนี้น่ะพิจารณาจะมาพูดจาปากจะฉีกไปแหละ เขาเหตุใดเขาไม่สนใจฟังสนใจเอาความสะดวกสบายเดินจกลมในป่าอ้ยแมวแล้วกลับต้องไปเดินจงกลมในกรุงเทพเนี่ยใบยบ้านโน้นน่ะดีเดินในห้องแอร์เลยนั่งในห้องแอร์ได้ของปลอมทั้งนั้นคนเดี๋ยวนี้มันชอบปลอมคนแก่มากคนจริงหายากคนจริงมีไม่ไดไปไหนทุกสิ่งมีความสุขขอฝากไว้ยอย่างนี้บางคนมาแต่มาเห็นแล้ว ดูหน้าดูตารู้เห็นหนอใช่ไม่ได้แล้วมันนั่งไป็นแบาบปมาว่าคนโน้นเขามาว่าคนนี้เขาแล้วไม่ใค่เชื่อฟังหลักการศกาก็เการกาของวัดหมีไม่เอาเขาไม่เชื่อวัดโนนเขาไม่มีหลักการศีกาก็มีพระมาเทศวันละห้าองค์พระเทศดีคนชอบฟังกับชอบพูดเขาไม่ชอบมาวันต้องมีพระมาเทศจะเทศยานก็จะได้รู้ว่าเนี้ยได้ยานอะไร ขอเชืจริงไม่ใช่เลยได้บาปไปแท้ขอฝากญาติโยมผู้กไข่ทำยืดยืยถ้าต้องการไข่ทำปฏิบัติแล้วขอให้เป็นคนจริงเนยมาไม่ต่ออาหารการบริโภคเนี่ยเอาสะอาดไว้ยาสกโปกะแค่นั้นเองพอแล้วจะเป็นปูเค็มหรือปลาทู ก, ก็ถามได้อาตมามาไป็นเด็กเนี่ยไปโรงเรียนปูเค็มหนึ่งตัวยายห่อให้ปลาทูตัวเดียวบางครั้งมีไข่ต้นลูกเดียวก็ไปกิงหาดทราย แต่กินกับเพื่อนอายครับเพื่อนเขามีแกงหมูแกงเหเ็ดแตงก่เราไม่มีแล้วเขาก็ต้องไปยินห่าดายหน้าวัดบางพุษาแล้วก็กินน้ําที่แม่น้ําแล้วก็ลูบเนื้อลูบตัวเข้าวห้องเรียนไปเนีย่ยเรากินบุกเคมมาประตูตัวแจ๊กมาจากเมืองจีนกินประตูปุกเคมแล้วก็เขาไปอาเซียนเป็นใหญ่เป็นโตนั่นแหละเขามีธรรมะแหละคนจีนเขามีธรรมะแต่จีนยุคใหม่สมัยนี้เชื่อไม่ได้ มันมีเลือดคนไทยที่เกลียดผสมไปแล้วที่เกียดที่โก้ก็เชื่อไม่ได้เหมือนกั น, นคนจีนเดิมเนี่ยวงศ์ตระกูลของเขาเนี่ยเขามีหลักธรรมไปอยู่ที่ไหนมีเจ้ารวยที่ไหนเขามีธรรมะแต่จาใจคนไหนมีธรรมะรวยเมื่อ น, นั้นคนที่ได้ธรรมะขาดเหตุผลไม่สติปัญญาเล้ยเอารวยไม่ได้ยังเอาดีไม่ได้ด้วยมีตัททิฏมาณนะตลอดรายการมีเจ้บาปตดำไม่รู้จักของทุก ไม่รู้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นบันใดเลยเนี่ยสัมมาเนี่ยประสบกรรมมาแล้วนี่เวลากลางเวลาป่วยทุกข์ขีมันจะปวดมุดแล้วที่ลดชนลดชนที่ขอพับไปนึกถึงนกเดี๋ยวเราไปหาคอมันน่ะต้องไปหลายร้อยตัวเนี่ยจะสหมดเวงกรรมหรือไม่มันจะต้องใช้ฆ่านกเดี๋ยวลราไปหาคอมันไปหลายร้อยตัวเนี่ยแล้วกระถกหนังมาด้วยแต่เราก็ต้องมาปวดตรวดลาย ในร่างกายของตนที่เราไปทํากรรมทําเวรมาก็ต้องอุเทิศให้เขาเอเราไปทําเข้ามาต้องยอมรับอย่าไปปฏิเสธทุกขอ้อหาจะประทานได้อย่ามักง่ายมากได้เลยคนเรามาวัดนี่มักง่ายมากได้จะเอาอย่างดีแต่ก็ไม่สร้างความดีมันจะได้ดีไหมไม่สร้างความดีเลยมันจะไม่ได้ดีติดตัวไปดีที่ละความชั่วละทยศละทิฏฐิมณะเชีย แด้ตาปฏิบโพต ก, กังวลทางบ้านมาอย่าไปห่วงบ้านไม่งั้นทำไม่สาเร็จทำไม่ได้ถลห่วงคโนโน้นห่วงคนนี้นางจิตไม่สงบล่ะกไหน ม, มาจิตไม่สงบเช่นนี้เนี่ยแล้วก็มานใย่ตั้งสติไวเลยจิตมันม้่นวายแล้วก็ตั้งกำหนดคิดหนอคิดไม่ดีมันจะบอกเราคิดดีมันก็จะบอกเราก็สติมันบอกเราเองสติสัมมาชัญญาเป็นตัวธรรมะแต่จาตัวเอง แต่เราก็จะได้มีปัญญาหอบรู้ในกองการทั้งฐานรู้ทุกข์แม้ความทุกข์เนี่ยโยมันเจริญกรรมฐานจะแก้ทุกข์ได้จําหมดทุกข์จะมีความสุขขึ้นมาความทุกข์จะทมทมคืนแถมเอาทุกข์จรมาอีกเหนะทุกข์ของตัวเองก็มากมายถึงขนาดนี้พาไปเอาทุกข์นอกบ้านมาทําไมทุกข์จอนมาทําไมมาปล่อยให้ทุกข์มากมายเช่นนี้เี่ยการเจริญกรรมฐานต้องการบําบัดทุกข์ และจะไม่สนใจได้ทุกจรนอกบ้านเอามาใส่ใจเลยมีสติไว้หน่อยได้ไหมแต่มาสังเกตมามาแปลมาที่นี่เสียใจเได้น้อยจังทีคนตั้งใจจริงๆต้องการสแสวงบุญน้อยมากมาสแสวงบาปมากปาก็เป็นบุญเนี่ยอยากจะมาเจริญกรรมฐ า, านแต่ใจทําไมเป็นบาปถ้าโยมรู้จักทุกได้เห็น อ, อกเห็นใจการ อ, อกเขา อ, อกเราเมื่อใดแล้วจิตโยมจะเป็นบุญ ถ้าจิตใจยอมเป็นบุญแล้วนะ่ะมีแต่ความสุขในบ้านทั้งหมดสามีภรรยาจะไม่ทะเลาะกันเลยโนระกเต้าก็จะสามัคคีกันจะไม่แย่งสมบัติกันแต่ประการใดเพาจิตใจเป็นบุญถ้าจิตใ จ, เ ป, จ, จเป็นบาปบาปเป็นบุญแล้วไม่เป็นคุณประโยชน์แต่ตัวเองไดีไปไหนก็มีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นพ้องกันทิ้งโรงสามตลอดรายการมีแต่วุ่นวายนะ่ะวุ่นวายนะ่ะมีทุกข์น่ะเป็นบาป ไม่มีความสุขแต่ประทานได้ขอฝากไว้ในวันนี้แต่มาสักเดชมาหลายรุ่นนี่พยามสร้างพระลาไว้ให้เขาปฏิบัติให้สะดวกสบายต้องการอย่างนั้นคนที่รู้จริงนะจิตสงบ ม, มันไม่สงสัยอะไรเลยเพราะหายสงสัยเนี่ยไม่สงสัยต่อบพระพุทธเจ้ากระทำคําสอนจะไม่สงสัยต่อพระสงค์อีกต่อไปเพราะจิตใจเป็นบุญจิตใจไม่เป็นบาปแต่คนไหนจิตใจเป็นบาปมันจะสงสัยตลอดไป เอาความดีมาเป็นความชั่วเอาความชั่วมากลายเป็นความดีในระยะเห็นจงองจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเศษฉีในใจไปแล่นใบบนบกแบบประเภทนี้มากอยากรวยอยากเป็นเศษฉีเน่ยเศษฉีในใจก็ทําไมหนอไปแล่นใบบนบกมันจะไปได้เหรอต้องแล่นใบในน้ําซิในรหละพวกเศษฉีในใจอยากรวยอย่างเดียวแต่ไม่ทําอยากรวยแต่อยากไม่อยากทําเป็นกิจกา ร, รมที่เลวร้าย ไหนเลยลราบุญจะเกิดขึ้นกับโยมเองจะไม่เกิดแน่แน่มามาปฏิบัติกรรมาฐานข้อหนึ่งต้องได้เมตตาได้เมตตาแล้วโยมจะไปว่าใครเขาเหลอมีแต่เมตตาไม่เป็นโจรไม่โจรลังไอ้พวกโจรโจรลังนี้ก็ไม่ใช่หมายความกับ ข, ข, ขโมยที่โจรล้นหมายความว่าคู่รชาชกจากเมตตาไม่มีเมตตามันก็ใจ่ายดามอมตะเช่นนี้แหละชอบว่าเขาชอบด่าเขา ชอบมีนาครับอย่าลืมนะโยมนะถ้าโยมมีลูกระวังชอบมีนาชอบให้สายสลายไปสีครับโดนไปถึงตอนลูกมันจะโดนใสายล่ไปสีน่ะขอฝากไว้ในวันนี้โดยทั่วการวันนี้วันชิ้นเดือนเนี่ยขอให้มันสิ้นไปในเรื่องนี้อย่าเอามาปรารบได้ไหมยอย่ามืดลือลอล้อฟื้อเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่เลยอแต่มาพูดมานานไม่มีใครจำเอาไปใช้ไปไหนก็ปากวายใจก็เบาเรื่องเก่าดันเอามาลื้อฟื้อเรื่องอื่นมาคิดกิ น, น ท, ท, ที่ชอบไม่ท้า ไปทําไอ้คิดที่มันไม่ไปเรื่องเป็นราวเรื่องคนอื่นทั้งนั้นต า, าเรื่องคนอื่นมาทําไมละ่ะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราสีเป็นคนไม่ดีแต่หนมุมกลับหรือมุมมองแล้วในแง่คิดเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีไปว่าเขาถ้าคนดีมีปัญญาเขาไม่ว่าใครเขาไม่มีทาใครแต่เขาไม่ชายร้ายไปสีกับท่านผู้ใดมือกัจิตเป็นกุศลสร้างสมมูลสันดานให้เกิดธรรมะประจําจิตประจําใจของตอน ความทุกข์มันก็หายไปได้ขอนึงเนี่ยนางนนจเจริญกรรมฐานมันได้เมตตาแต่ทําให้มันไดหน่อยได้ไหมทําอะไรไม่ได้เลยยืนหนอก็ไม่ได้เอาปากยืนจิตที่จะปากมีสติอยู่ควบคุมนั้นก็ไม่ได้ทําเสียงหนอก็เอาปากว่าเสียงหนอแต่สติที่จะอยู่ก็หูที่จะฟังเสียงนั้นมีธรรมะมีทรัพย์อยู่ที่หูมีทรัพย์อยู่ที่ปากมีทรัพย์อยู่ที่ตาท่างนี้ก็พอแล้ว ตาไม่ซับดูของแต่ดีมีประโยชน์ของไม่ดีจะไม่มองจะไม่สนใจอย่างนั้นถึง จ, จะกําหนดว่าเห็นหนองทิษาลงปลายเท้าปลายเท้าคุณที่สาห้าครั้งเราจะรู้ได้คนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้กําลังมีชู้คนนี้กําลังไปโลกมะเร็งและจะต้องตายในที่สุดหัวไม่มีแล้วออกมาอย่างนี้ชัดทําให้มันได้หน่อยได้ไหมไม่ใช่เขาจะมาสวรรค์นิพพานมาบวชรีพรานแก้บน บวแก่บนเจ็จวันเลยบนอย่างเดียวคุยมันสะบัดเลยแล้วให้เวลาถ้าเวลามันหมดไปเหมือนค่าชีวิตให้ตายไวขึ้นมาค่าชีวิตค่าเวลาให้หมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่การตายญาติโยมที่รับเลยโยมเห็นด้วยหรือไม่มีแหลเรื่องจริงที่สัมมาพูดไม่จริงจะไม่พูดนะมันเสียวเวลานี่อ า, าพาธหนกักเลยไม่สบายมากก็ต้องพูดจนกว่าจะตายขอฝากไว้ข้าวปลาฉันไม่ได้หลายวันแล้ว ก็ต้องทนนะกรตื่ความอดทนทงกราตามหน้าทนลำบากหน้าทนเจ็บใจในทั้งคนได้ใครจะมาด่ามาว่ากอนเรื่องของเขามันก็กลับไปหาเขาเองอย่าไปรับมันมาคนที่ไร้ปัญญาชอบหาเรื่องชอบไปรับเรื่องคนอื่นมาเรื่องของตัวเองไม่เอาไม่รู้จักจะแก้ไขประการใดและไปเอาเรื่องคนอื่นมาทําไมล่ะนี่เรียกว่าทุกจรใช่ไหมนี่แหละญาติยอมเอ๋ยในตัวเอง่ะมีแต่ความทุกข์ หาความสุขไม่ได้เลยแตมาไม่สบายมากเอาบนาทนาคือข้านะั่นไม่สบายอย่างจ่ายวิวิวไตังสตีไว้จนได้จนบวทนาจบข้าองค์เ ม, มาาื่อวันเช่นนี้วานนี้เรื่ององไรจำไม่ได้เลยแล้วเราก็ป่วยอย่างหนักแล้วยังป่วยแล้วก็จะต้องรับแขกอีกตีสองมาเลยสุโ ข, ขไทยพิชโลมากินข้าวตีสองสามร้อยกว่าคนแล้วต้องให้ธรรมะไปถึงตีสามครึ่ ง, ง, ง, งตลอดเลยตานแล้วเขาก็นอนกันหมดแล้วเราก็ต้องสู้สิ เราตกิดมาชีวิตความต่อสู้ต้องสู้ไปจนกว่าจะตายอยากโยมเห็นใจขอฝากไว้ญารามาเนี่ยตั้งใจหน่อยได้ไหมบางคนเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนมันตั้งใจจริงห้าคนเป็นคริสอาคนพี่น้องห้าคนเป็นคริสมั่งตั้งใจเต็มที่เลย <S <S <ๆ>เขาก็ไม่ดอกขนเห็นแล้วว่าเขาเป็นคริสแต่ละหลวงพ่อรู้กลับไปไปจัดการงานในบ้านดีหมด ลูกก็ไปชาขึ้นพ่อแม่ก็ถามหนูไปไหนกันมาไปวัดอัมพวันไปนั่งกรรมาฐานไม่เป็นไรไม่ขาดศาสนาหรอกพ่อจันบอกเราก็นับถือคลิกก็นับถือไปแล้วากิจการก็ดีขึ้นพ่อแม่อนุโมทนายกมือว่าเป็นสักทั่วหมดลูกสามาขี่กันไม่ทะเลาะกันเหมือนก่อนแล้วพ่อแม่ก็ดีอกดีใจลูกช่วยทำงานให้พ่อแม่พี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่สร้างความดีพ่อแม่ พ่อแม่ก็ดีใจพริกจึงเข้ามาวัดเราเยอะแต่ชาวพูดไม่เอาปากเป็นบุญใจเป็นบาปทั้งนั้นบาปเป็นบุญทั้งแต่ใจเป็นบปาปบาถ้าใจเป็นบุญหน่อยโยมไม่มีเรื่องอะไรเลยนะจะไม่มีเรื่องหาเรื่องอะไทต่อไปใครจะด่าจะว่ายังไงก็อดทนเจ็บใจได้เขาด่าเรามันก็กลับไปหาเขาเองก็เป็นบาปของเขาเองไม่ใช่เอาไปรับบาปมาทําไมเราจะเอาทุกมาใส่ตัวทําไมล่ะเรามีแต่ความทุกข์ ตลอดเลยารไหนเลยแเรายอมจะเป็นบุญจะเป็นบาปตลอดไปเนี่ยมาเนี่ยจะมาสังเกตหมดแม้บางคนไว้ยศไว้อย่างถือที่ถีถถถมานะโอ้เหงน่อกินไม่ได้ต้องอย่างงี้อย่างนี้่เอาอย่างนั้นก็ไปนั่งกลับมาถานที่โรงแรมไปหน้ากันที่โรงแรมน่นจะได้มีอาหารเสิร์ฟให้ในขณาพระพุทธเจา้จาเจ้าชายีสถตะนะเป็นจกักรพรรดิขยังฉ้านอาหารในบาทลูกเดียว เขา้าขนมข้าต้มปนกันหมดเลยไม่ต้องไปเดือดร้อนใครแล้วก็เฉลิ้มพระกาหารเวลาเดียวแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอดไปนี่ขนาดเนี่ฉันเป็นจักรพรรดิเราเป็นอะไรแหมถือทิชชถือมานะอาตมาฉังเกตคนที่มาที่มากมายไม่ต้องมาเล่าอาตมาฟังอาตมาดูหน้าก็รู้แล้วเขาไม่ได้โผนเขามาดานิชงแต่ประธานได้จิตใจมันหดลดราคาจิตใจไม่เบิก บ, บานหังนสา แต่ประการใดไหนเลยลจะได้อะไรละ่ะคนที่ดีมีปัญญาเนี่ยเขาไม่ถือเนื้อถือตัวเลยพระพุทจะจ้าเคยถือตัวไหมไม่เคยถือเลยแขกมาก็ต้องรับยินดีก็รับเสมอไม่หรอเกลียดแขกแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนนเห็นไหมบางคนไม่มีธรรมะรู้เลยคนไหนได้ธรรมะขาดเหตุ ผ, ผลจะคีดเกียดก่อนทำไมเอางานเอาการเนาะ ขครจะมีงานค้าก็ไม่รับรู้แต่ไทยทะเลาะกันแล้วขยากจะไปเรียนรู้ไอเรื่องบ้าๆบอๆของเขาคนไล่ธรรมะชอบรู้ไอเรื่องไม่ดีเรื่อง บ, า บ, า บ, าบา้าๆบอๆคนบ้าบอมีมากเลื่อเกินดูหนังสือพิมพ์ถลงเรื่องพระเรื่องลายเรื่องเร็วๆแล้วก็อ่านกันติกตามอ่านกันแต่พระที่สร้างความดีให้กับประชาชนเขาไม่เคยลงหรอกหนังสือพิมพ์มันบอกว่าพ่อขายไม่ดีเรื่องดีนี่มันมีใครอ่านก็คำนวณประชาชนได้ประชาชนชอบ ความชั่วของคอออนอคนนคนื่นชอบติดตามอ่านไะอ้คนนั่นค่มขืนทำเลานั่นแหละชอบอ่านแล้วก็เอามาเล่ากันเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ที่ไปปฏิบัติธรรมะได้ดีมีปัญญาแล้วทาให้รวยสวยดีไม่มีใครไปเล่าไม่มีใครไปลงหนังสือเพมินเพราะไม่มีคนอ่านก็แสดงสรุปผลงานว่าคนเดียวนี้ไม่ชอบผลดีไม่ชอบความดีชอบแต่ความชั่วชอบอ่านความชั่วเอาไว้ในสมอง ความดีของใครไม่ใหญ่ําเนินการเอามาใช้ในตัวเองแต่ประการใดคนประเภทนี้มีมากในสังคมคนไทยในหลายสังคมคนไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้่อาตมาจะกล่าวว่าประเทศไทยศา ส, สนาจเจริญไม่ไดับเจริญวัตถูกแข่งกันสร้างวัดแข่งกันสร้างโบสถ์แข่งกันกระทั่งชาวบ้านก็ไม่เคยมีเงนินสร้างโบสถ์มาต้องสิบปีมันจะเร็จโบสถ์ราคาเป็นสี่สิบล้าน ก็โบดเนี่ย ท, ท้องถิมเราเนี่ยอยากจนก็สร้างเล็กๆสร้างพออัตภาพของบ้านเหนือบ้นานใต้จะได้ช่วยกันช่อมได้สร้างซะใหญ่โตและแข่งกันแต่ธรรมะไม่เอาเลยอาตมาไปประเทศจีนกลาเมื่อสองพัรอสิบห้าประชุมบุษบาพนแห่งโลกลงจากเครื่องบินโคลัมโบแล้วกับรถเดินทางไปมีจจา ก, กวางอิมั่งลิงข้างปางชนีเดินให้กวัยไกลป่าเป็นสูงเลยกรต่ตายป่าเป็นสูงเลยมีไหมประเทศไทย เขากินหมดแล้วปาดไม้ทํานาป่าข้าศัตร์ป่าหมดแล้นี่อย่สาสับ์นาประเทศไทยเจริญเจริญเนี่ยก็ป่าเป็นบุญใจมันเป็นบาปมันข้าศัตร์ได้ลงคอก็ตายป่าก็กิ้นหมดนะไก่ป่าก็กินหมดแล้วที่วัด น, นี้ก็อ้อนี้ไก่ป่ายเยอะก็ตายป่ า, ายเยอะไม่มีแล้วสักตัวเดียวมันก็คงหมดไปตามสภาพของกฎแห่งกรรมจากคนเราไม่มีบุญวาสนาเป็นบาปเป็นกันที่จิตใจของเขาเขายึงได้ชางบาปได้ลงคอ่าปลาจากเมตตา เังที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันเนีย่ยญาติโยมทั้งหลายเอ่ยเรามันมีแต่ความทุกข์เรามานั่งเจริญกรรมฐานเพื่อให้คนทุกข์ให้มีความสุขความเจริญในจิตใจบ้า ง, าางเนี่ยอย่างเทพเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วพอเข้ามากันเยอะแ ย, แ ย, แย่หมดบอกหลวพ่อคะฉันตั้งแต่มานั่งกรรมฐานที่วัดหงพ่อเนี่ยครอบครัวฉันมีความสุขมากแตก่อนเนี่ยพ่อบานฉันเนี่ยจะชู้ แล้วก็เล่นตาทานันไม่ค่อยอาเอาใจใส่ลูกเลยนะหลวงพ่อเนะฉันไม่ได้บอกหลวงพ่อเราก่าฉันเป็นคริสฉันมีทุกข์เขาลือการในฉันก็มาแต่ฉันมานั่งกรรมฐานเจ็ดวันแล้วก็ม้เจ็ดวันแล้วก็นั่งได้แผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลฉันกลับไปแต่ฉันไม่เคยทะเลาะกับผัวเลยฉันไม่สนใจแผ่ส่วนบุญให้เขาแล้วก็บูลูกต่อไปลูกก็ดีหมดนัาข้าวทำยังไงโยมพ่อบ้านกลับเฮมาเลยเลิกเจ้าชู้ เลิกเที่ยวเลิกเล่นการพนันเอาใจใส่ลูกอาศัยเมียขึน้นนี่อานิสง์ได้เนี่ยคือความสุขมันแก้ไขทุกได้เนี่ยอย่างนี้นะแล้วเขาก็มีความสุขนิดคือคริสเนี่ยเดี๋ยวโรงพยาบาลเฉลุยก็จะมาที่นี่สองรุ่นก็จะมาหลายรุ่นไม่ได้เพราะสรางมันเต็มเอามาเข้ากับปองท บ, บกสามรุ่นเนี่ยส่วนมากเขาเป็นเพศสไม่จะเป็นพุทธแต่คริสก็ยอมรับเพราะที่นี่นี่ยยอมรับที่นี่แหละพุทธ เหยียบโทเอาไว้ิี่ทาพุทโฮคือพระพุทธเจ้าจงอยู่ที่จิตใจไม่ใช่อยู่ที่เท้ายกเนี่ยมาเนี่ยหลายเจ้ามาจากพุทโธเอาเดินจงกรมพุทธโฮแก่เหยียบลงไปพุทเหยียบโทพุทเหยียบโทขณะนี้ลูกพระพุทธเจ้าอยู่ฝาผนางเขายังไม่นอนหันเท้าไปที่ลูกพระพุทธเจ้านะเขาเคารพบูชานะอย่าทําอย่างนั้นเลยจะมาทำมาก่อนแล้วสิบปีพุทเหยียบโทพุทเหยียบโทมา มานานแล้วเลิกแล้วไปเจอหลวงพ่อในปา่าครับหลวพ่อบอกอย่าทําอย่าทําตรงนั้นเลยเป็นบาปนะมิณเมตอบปุ๊มีบุญคุณกระตันยูตะเวทีมันบอกไว้ชัดเจนนะเราก็เลิกนะแต่นั้นมาแล้วจึงเจริญมาอย่างนี้จเจริญด้วยความสุขเสติมไปด้วยความทุกข์ทุกข์อ่อให้มันหายจากตัวไปเนี่ยชาพาวัตขุคือเกิดแก่เก็บตายมันเป็นชาพาวักถุจริงๆ โยมเอ๋ยอาตมาเนี่ ย, mới, ามายไมสบายีแต่ความทุกข์ตลอดในการหาความสุขไม่ได้เลยไม่อยากได้อะไรเลยถ้าเรามีป่วยหนักเจ็บหนักมันจะออกมาในรูปแบบว่ามีแต่ความทุกข์สภาวะทุกข์มันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วนะ่ะเราจะไม่มีความสุขเลยปวดก็เป็นทุกข์ให้ขึ้นสูงก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยปวดรื้อะเป็นกาลังก็ตั้งสติไว้ ทนต่อเวทนานั้นแล้วเราก็กําหนดเวทนาได้การปวดก็ลดน้อยลงไปถอยลงไปนี่สภาวะทุกข์เนี่ยแกตรงนี้จิตใจเป็นทุก์เราก็แกจิตใจทําจิตใจให้ดีทําให้มีปัญญา ม, มีสติควบคุมจิตได้ไวหน่อยได้ไหมถ้าทําได้แล้วสภาวะทุกหายไปทุกมันจะหายออกจากจิตใจจิตใจจะมีความสุขในเมื่อจิตใจมีความสุขเช่นนี้แล้วทำอะไรไม่มีทุก มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองวัยเดียวเท่านั้นนี่ตรงนี้เป็นจุดสําคัญสําหรับผู้ปฏิบัติถ้าโยมมาปฏิบัติไม่เน้นิดตรงนี้ไม่ได้ผลจะไปอาภวั น, นิพานไม่ได้ผลนี่เนี่ไปถวันนั้นมีพาณอย่ังไงจิตใจจะเป็นบาปอยู่เลยแล้วไม่เป็นบุญเป็นกุศลจะไปติตาหนิคนนอนตาหนิคนนี่บาปบ่อคอแตกอย่าไปถือใครเขาถือตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไปว่าใครเขรือเปล่าตั้งสติไว้เดี๋ยวก็จะสงบนี่อหะ รู้จริงยิ่งสงบการลบธรรมจะไม่ว่าคนอื่นอีกต่อไปมีอะไรก็ทานให้มันอิ่มไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเท่านี้เองนะมีอะไรก็เป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอะไรให้เราทานยังไงทานอย่างนั้นบางคนเนี่ยบางคนไม่มีหลายประเภทบางคนก็พูดดีมั่งไม่ดีบ้างมาพูดหน้าทินมั่งไม่น้าทินบางอย่าไปสนได้ไหมทํามันย้อมไปสนใจอย่างนี้โยมไม่ต้องปฏิบัติเลยนะได้บาป ใครจะพูดดีไม่ดีนิ่งเั่นอย่างเดียวอดทนแล้วต่างกําหนด์ฟิตกาหนด์รู้หนอรู้หนอรู้แล้วแต่เป็นภูมิศาสตร์รู้หนอรู้แล้วแต่แค่นี้เองรู้หนอรู้หนอแต่เป็นอย่างนี้ก็รทีพูดออกมาอย่างนี้เท่านี้เองโยมจะได้ผลสอบได้ได้เดีือดสอบไม่ตกแม้โดนกระทบกระเทียบพนอยสอบตกเลยเดือดสอบตกตั้งแต่ออกขากแล้วจะเล่นไม่ดีแล้วมั้ง แด็ชีวิตอนาคตจะได้ผลประการใดไม่มีความอดทนแต่ประกันได้หนุ่สภาวะทุกมันมีแต่ทุกเจ็บแล้วห่วยป่วยไข้ได้แต่ตัวใครขึ้นมาจะรู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนเนี่ยการเจ็บหวยป่วยไข้เนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดรายการตัวใครตัวมันต้องประสบเอาเองเนี่ยเนี่ยกมมาเนี่ยป่วยมาตลอดเวลาการแต่ก็ต้องทนใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์ ปฏิปทานสี่ขันห้าลูปนามเป็นอารมณ์ตั้งสติอารมณ์ไว้แล้วมันสามารถจะสู้กับกองทุกในน า, นานประทานได้บัคินะกะทุกกคือโศกเศร้าเจ็บป่วยเป็นตน้นโกเศร้าเสียใจปริเทวนาการแต่เอาเรื่องคนอื่นมาทุกข์และโศกเศร้าแทนเขาเป็นไปไม่ได้เลยอย่าไปเอาอย่างนั้นบัคินะกะทุกทุกจร น, นอกประเด็นเอามาไว้ในตัวเองโศกเศร้าเสียใจปริเทวนาการ ตลอดรายการไหนเลยเล่ายอมจะมีความสุขเล้านิพัทธทุกข์หนาวร้อนหิวระหายเป็นต้นบางคนมากิกนมากได้ก็เป็นทุกข์กูไม่มีนี่นกินกูมีเนี่ยเนี่นกินไม่จะทุกข์เนี่ยอ่าหนาวมากเกินไปร้อนมากเกินไปไม่ต้องทํางานไม่ต้องสร้างความดีหิวระหายเกินไปเป็นต้นนี่เรียกว่านิพัทธทุกเกิดทุกแล้ ถ้าเรามีสติดีแล้วจะไม่มีความทุกข์หรือหิวหรืหายแประจารใดแล้วจะอดทนต่อไปมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นี่กรรมาฐานพยาธิทุกทุกเกิดตามร่างกายร่างกายเป็นโรคภาวะไม่สู่ความเป็นปกติมันก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเรามีกรรมาฐานดีแล้วความทุกข์ในร่างกายมันก็หายไปนะมันก็หายออกไปได้ขอให้ทให้ถึงโยมอย่ามาพูดว่าอัตมาเลย โยมยังไม่ถึงขัง้นดียังดีไม่พอเนะี่ยังไม่ฌานถึงจบพอยังไม่ดีมันก็ต้องทําไปก่อนสิกว่าจะถึงขังน้นนี้ถึงจะดีพอเนะ่สัตสัญตาป ท, ทุกเกิดจากกิเลสเผาผลาญเกิดจากโลภะเกิดจากโทสะเกิดจากโมหะมันเผาผลาญมันไฟเผาหัวใจตลอดเลยการถ้าเราไม่จะไปประทานทีใช่ไทุกเอ้ยทุกหนอ มันทุกข์อยากจิตใจของเขาไปเจ้าเลือเกินคือโลภอยากได้ของเขาแต่เสียเพราะไม่เอาด้วยมันเป็นทุกข์โทสะโมโหโกรธาไว้ในใจเป็นบาปเป็นกรรมกับ ต, ตัวเองนะแล้วมันเผาจิตใจให้ร้อนโลนทนไม่ไหวมีแต่ความทุกขนะ์นานาประการแถมกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์จากที่เลสเขาแพานอย่างนี้อย่าหนอ เราไปโกรธเขาทำไมกระทั้งที่เขาไม่รู้ตัวเราโกรธเขาเขาก็สบายแต่เราเป็นคนลําบากเรามีทุกข์เราเป็นบาปในใจเรียกว่าวิเลสเผาผลาญใช่หไหมโมหะเผาผลาญคือคนไร้ปัญญาสอนกรรมาฐานพราะทำไมเอาด้วยจะเอาแต่นิสัยของตัวเองออกมาใช้เลยกลายเป็นคนที่กิเลสเผาผลาญหาปัญญาไม่ได้เลยมีลูกก็โง่หมดทั้งทั้งครอบครัว โง่ตลอดเลยายตาซ่อยพ่อแม่มันโง่มันมีโมหะไม่ยอมรับฟังใครเช่นนั้นใครจะแนะนํายังไงก็ไม่เอานี่กิ เ, เลสเ่าผานใช่ไหมมีมแต่ความทุกตลอดเลยการมีปากระทุกทุกเกิดจากผลบาป ก, กรรมที่ตนทําไว้ได้แต่ตัวตัมามาหมดแล้วนี่เนี่ยเกิดจากผลบากกรรมที่เราทาไว้หากคอนกตกปลาเขาเต่า แล้วเข้าวไปให้พระเอาไปกินซะเองเราก็มีทุกติดตามมาทันทีเป็นเปรตตลอดห้าที่สองวันปากจูกินอะไรไม่ได้เลยนะนี่แหละเราก็มีแต่ความทุกมีแต่ความยากมีแต่ความลำบากขอให้บาับบัตทุกด้วยการเจริญพระธรร ม, มาฐานมีสติทั้งชัญญาทุกขณะได้ไหมบางคนโง่ยิ่งทำยิ่งโง่ยิ่งทำยิ่งโง่ก็เห็ุได้เพราะขาดสติทํากรรมาฐานขาดสติ ไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเลยแค่ตั้งสติไว้แค่ห้านาทีเรายังตั้งกันไม่ได้และยอมจะไปเอาสวรรค์นิพานจึงไหนแต่สมบัติมนุษย์เราก็ยังไม่มีแล้วจะไปเอาเรื่องอื่นที่ไหนแล่าขอฝากไว้เนี่ยทุกเกิดจากบาปกรรมอาตมานีหนีทุกมาเรื่อยเลยรถตกเหวที่มาสอดสามสิบกว่าปีมาแล้วรถพังหมดทั้งคันอาตมาต้องตายเหวขึ้นมาเลยนี่ทุกทรมานที่สุด เนี่ยเกิดทุกข์ของเราเองบาปกรรมเกิดจากเรากระทาเองไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราแต่ประการใดขอโยมได้ทราบ น, นัยยะดังกล่าวมาสหัคตาทุกทุกเกิดจากโลกกระทําอย่าไปหลงโลกหลงธรรมหลงกิจกรรมที่ไรเฉะละมินทาเฉินเรินมินทาเฉินเริ ญ, รญอย่าไปสนใจขอประธานโทษโยมจะาเขาด่าเราวันนี้มากวันนั้นได้กาไรตั้งสตรีเอากําไรให้ได้ วันไหนเขายกยอปอป้านเราสรั้เสริญเราวันนั้นขาทุนอย่างย่อยยับยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนโยมไปพ่อข้าแม่ค้าคิดขาทุนแล้วก่อนแจะหาทางแก้ขายโยมต้องได้กําไรโยมไปแม่ทัพทิศชนะเขาต้องแพนี่ตรงนี้ไปรับสมองนะ่็เป็นการปฏิบัติธรรมโยกธรรมอย่าหวั่นไหวเลยอย่าไปเชื่อโลกธรรมเขาสั้เสริญอ่าเขาสั้นเสริญหน่อยก็ผูกกระโดก้วเขา ว่าน่อยก็มโมโหโธโตเป็นต้อนอย่าสนใจโลกธรรมอันนี้ใครจะเฉินเฉินนินทายัางไงว่าเราดีเราก็ไม่ดีตามปากมันพูดมันว่าเราเป็นคนชั่วเราก็ไม่ชั่วตามปากมันพูดอย่าไปโสนใครว่าไงก็ช่างเรื่อง ข, องขาวโลกธรรมวันไวมีตลอดเวลาถ้าโยมเจริญกรรมาฐานได้โยนจะไม่หวันไวในโลกธรรมอาหาละปริเยจะิทุก์ ทุกเกิดจากการเล้นฉีกกาประกอบอาชีพการ ง, งานมีแต่ความทุกข์ ไ, ได้เหตุได้เพราะว่าอาชีพนั้นไม่ถูกต้องกับจรินตนของตอนค้าขายโดยที่เป็นบาปเป็นกรรมเองขายฉาบแต่ก็ไปค่าเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างข้อเดียวเนี่ยนี่เป็นทุกข์ทางนั้นอาชีพอาชีพดีมีปัญญาจะไม่มีทุกข์เลยให้มันเข้ากับหลักปฏิบัติของเราแล้วท่านอาิการค่าอย่างไรก็เอาอย่างนั้น อย่าไปต้าวกายให้มันเกินไปทําให้เกิดมีทุกข์ในตางเรื่องชีพแต่ประการใดวิวาทะมูลกระทุกทุกเกิดจากการหนักใจถ้าเราหนักอกหนักใจเนี่ยเอาคนเองมาหนักแล้วมันมีแต่ความทุกข์อย่าหนักอกหนักใจเลยให้เบาใจเชื่อมีสติสัมปชัญญะตลอดเลการทุกของขันห้าโลกเวทนาทั้งยาทั้งขานวิญญาณมีแต่ความทุกข์ตลอดทุกเกิดจากขันห้านั้น ถ้าเราเจริญกรรมฐานลูกเวทนาทั้งยาทั้งขามีอย่างเธอลูกกับนามตายกับจิตปฏิบัติไว้รับรองทุกของขันห้าก็จะหายไปเหลือแต่นามมาทำจิตมันก็ดีไม่มีทุกนี่แหละขันห้าก็เป็นทุกทั้งนั้นลูกก็เป็นทุกมันเปลี่ยนแปลงได้เวทนาก็เป็นทุกเพราะมันปวดทนไม่ได้สังขานตรงแต่งมันก็ปวดอย่างนี้เนี่ยหนอเรากําหนดปวดได้มันก็หายไป จะไดมม้มีทุกข์ต่อขันห้านี้เวทนาสัญญาคือความจํามันก็เป็นทุกข์แล้วจาไม่ดีมาก็เป็นทุกข์จำดีๆมีสติปัญญามันก็เป็นความสุขไปจําไอ้เรื่องเร็วๆของเขามาในสัญญาก็เรียกว่าสัญญาในขัน 5, ห้ามันกัดอย่าไปจํา้ว้ความเร็วของเขาใครเขามาไว้ในสมองเลยตรงมีสัญญาความจําได้ไม่รู้ที่ดีเถิดโยมจะประเสริฐเป็นความสุขออกมาอย่างนี้เป็นตน้น นี่มีความหมายมีมากมายเหลือเกินเนญาติมาเนี่ยเกิดทุกเป็นมาหลายครั้งหลายคราวแล้วตั้งแต่ไปยุโรปมาก็ยังไม่หายอยู่ก็เราสร้างเวรสร้างกรรมเราไม่เรายอมรับที่เราสร้างเวรยิงนกตกปลาต้มเต่าก็ยังมีกรรมอยู่ทุกวันนี้ตอนใช้หนี้เขาดังนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช้ไม่อยาทํากรรมมาถาแล้วก็เลิกเราไป น, นี่กันเลยไม่ใช่ แต่ก็เรารู้เรารู้จึงก็ต้องยอมรับกรรมที่เราทําไว้เราจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหายอมรับใช้กรรมที่ทําไว้ดีตนเองเนีย่ยแตมาทํมากรรมมากเนี่ยแต่ชีวิตเราคงไม่เชิงหวัง ม, มาได้กรรมาฐานประจําสิกประจําใจของเราแก้ไขทุกข์ถึงบรมฉกจนได้ในอนาคตวันข้างหน้าอีกยาวนานเราอาจจะถึงที่หมายอันนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าอย่าโยมานั่งกรรมาฐานก็หม า, านแผ่เมตตามีเมตามเมตาเป็นอันดับแรก อันดับสองแก้ไขทุกอันนี้ที่ยายชี้แจงแสดง ม, มาได้ผลมันทุก อ, อกทุกใจหนักอกหนักใจอย่าเอามาเอ า, เอาหนักไว้นในใจอย่ามาทุกใจเลยตั้งสติอารมณ์ไว้แก่ไขทุกได้มันมีทุกอะไรเรื่องลูกไม่เรียนหนังสือโยมก็แพ้แม่ตายเขาเดี๋ยวเขาก็จะเรียนได้อย่างที่อีกมีตัวอย่างในวัดทุกเรื่องสามีแมวเหนื้อใต้ นะเจ้าทูกข์างอะไรบ้างอย่าไปสนใจเอาทุกข์ผัวมาไว้ในใจทําไมเราก็แก่ให้เขาโดยแผ่เมตตาสามีนยให้เขามีความสุขความเจริญหันมุมมองและแง่มุมกลับมันจะทําให้เกิดความสุขในครอบครัวได้อย่าไปทะเลาะวิวากันเลยอย่าจะไล่ไปชีกันมันจะเกิดความทุกข์หนักผสมทุกข์มากขึ้นเลยก็เก็ดความทุกข์ไว้ให้ลูกต่อไปเป็นกฎแห่งกรรมนะอย่าเขาทาได้ผลกลัวมากเป็นคลิ๊ด ไม่ใช่พูดซะแล้วงานที่ได้เหมือนกันแล้วพูดถึงเรื่องบุญบะาการกระทาที่จะเป็นบุญมีอะไรบ้างบางทีว่าใจเป็นบุญอย่าใจเป็นบาปนี่สรุปเล่หนึ่งบุญคือความสุขทุกคนต้องการอย่างนี้แล้วกระบุญนั่นที่จะทำจัดเป็นบุญมีอยู่หลายประการในการการบริจาค ก, การให้ทั้งวัตถุทั้งความรู้และการให้อภัยซึ่งกันและกัน ถึงจะเป็นบุญการราักษาศีลถึงงดแวงจากการทําความชั่วต่างๆถึงจะเป็นบุญการเจริญภาวนาจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสีแล้วเพื่ออบรมสิตให้มันคงทําให้มีสติธรรมัญญะมัน่นคงถาวรในความดีอันนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวัชนาการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผูหลักผู้ใหญ่ วันตะโกปฏิวันทานางปูตะโกและปะเตปูชังไหว้เด็กการรับวานไหว้ตอบบูชาในนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะได้าการสนเสริญเจริญพร น, นับว่าเป็นการกราบไหว้บูชาเป็นบุญเป็นบุญกรูสอนจมาถึงสอนเด็กให้ไหวก้กราบพ่อแม่อย่าเที่ยงขอแม่กราบไหว้ครูอาจารย์อย่าเทียงครูอาจารย์อย่าเทียงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นบุญแน่ๆอั น, นิี้ชัดเจนการช่วยขวนขวายในการทําความดีของผู้อื่นนับว่าเป็นบุญ ช่วยควงขวายว่าในการทําความดีของผู้อื่นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลการแผ่ชวนบุญหรืออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นเช่ น, นจเจริญกรรมมาถามเสร็จแล้วนะแผ่ชวนบุญไปเราจะให้ใครก็เอาไปนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเราไม่รู้แต่จะแผ่ให้ใครเลยอุทิศให้ใครจะเป็นบุญหรืออย่างไงนี่เรื่องจริงแน่นอนตามคําสอนพระเจ้าอัตา ม, มาไม่ได้เอามาเองนีคําสอนของพระบิดาการแผ่ชวนบุญ ที่เรามีความสุขแล้วแล้วก็แผ่ส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลบุญไปให้แต่ผู้อื่นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเองโดยเฉพาะการชื่นชมยินดีต่อการทําความดีของผู้อื่นเห็นผู้อื่นทําดีเราต้องสงชื่นชมอย่าไปอิจฉาเขาใครอิาเขาเป็นบาปนี่นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราชื่นชมยินดีต่อการทําความดีของผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่ยมเองการฟังเทศ ฟังสิ่งที่ฟังสิ่งที่มีคติธรรมฟังเรื่องปฏิบัติธรรมจะเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่มาฟังแล้วไม่ทําเลยจะเป็นบาปไม่เป็นบุญเป็นกุศลการเทศการสอนการชี้แจงให้ทําความดีก็เป็นบุญเช่นครูบาอาจารย์ชี้แจงให้เขาทําความดีการสอนเขาให้ปฏิบัติธรรมกันนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลมักเคูบาอาจารย์ที่ไม่หวังผลตอบแทนจะประการใด การตั้งความคิดเห็นการตั้งความคิดเห็นให้ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจา้านับว่าเป็นบูญเป็นกุศลอย่างมหาศาลขอฝาก ญ, ญาติโยมไว้ในวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นวันธรรมสุนะวันพระุิาษุของสิ้นเดือนที่สี่ค่ำจะสุกโสแล้วขอให้ชิ่นไปด้วยความทุกข์ขอให้ประสบความสุข ต่อไปในโอกาสข้างหน้านี้อย่ า, าความทุกข์มาไว้ในใจอีกเลยขอให้เอาออกไปในค่ำช่วงเดือนเดือนดับพระจันทร์จะไม่ส่องแสงในวันนี้หมดดวงแล้วหมดดวงแล้วมันรับเหลี่ยมโลกไปแล้วมันจะมีมืดทั้งกลางคืนกลางวันคือสิ้นเดือนจะไม่เห็นพระจันทร์ส่องแสงขึ้นในท้องฟ้าแต่ประการใดเดือนข้างขึ้นเดือนหงายข้างแหลมเดือนมืด ของเหล่านี้ก็มีทั้งทางคึนทางลง ม, มีทั้งกลางวันกัางคืนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขมีทั้งความสนุกในสังโคมมีทั้งความเสียใจเสียใจเศร้าใจและโศกใจปริเทวนาการเอาความเสียใจมาวันห่จ่ายตายไ ป, ไปนรกหาความสุขไม่ได้เลยขออนุโมทนาสาธุการบุญ ขอให้ยมเจริญกรรมาฐานตั้งใจทำจริงๆหน่อยได้ไหมัต่มาอยู่ที่กุฏิก็รู้อะทาจริงไม่จริงน้อยคนที่ตั้งใจมาอีกหลายคนไม่ได้ตั้งใจมาเลยตั้งใจมาหาเรื่องกันเนี่ยขอฝากไว้ด้วยใครมีของมีค่าอย่ามานะไอคิมันหายหายกันบ่อยๆไม่จะกุีิมาเอาหรอกบางคนเนี่ยอุราสวยเป็นสาวมาเดียกันสามยนนอนห้องเดียวกันขอหายเนี่ย ถ้าคนหนึ่จะเอาไปนะก็ไม่ว่าเลยการอยาเเงินทองมามากมาไกลกองเอามาฝากไว้ก่อนแต่สังหรณ์ปีมพาพรก็ดีไม่ใช่ไม่ดียาวมาตอนปฏิบัติธรรมเดี๋ยวมันหายไปแล้วเลยทําปฏิบัติไม่ได้จิตใจยังไม่ถึงขั้นเลยก็เสียดายของเลยปฏิบัติไม่ได้กันเลยขอฝากไว้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปอย่างไรไม่ต้องอะไรมาแล้วเรามาออกจากท้อแม่มาไปอย่างนั้นมีแต่ตัวเอง จิตพัดสอนขอให้จิตกลับไปประพัดสอนเหมือนเดิมอย่ามาคุกครีกับทุรีฝุ่ละอองความเป็นบาปเป็นกรรมให้แก่ตัวเองอีกต่อไปเลยวันนี้ก็ขอความสุขสวดดัสดีจงมีแก่ผู้ใคจถ้ำสู้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อต้องการสอนตัวเองเพื่อต้องการชี้แนวตัวเองต้องการจะมีธรรมะประกอบติดตารหน้าที่ของตอนเลื่องตนเองเดินทางต่อไปให้มันถูกต้อง เราจะไม่ผิดท่องมองใจจะไม่มีทุกข์ในใจต่อไปจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรเสริไปนับบัดนี้ขอที่ท่านทรงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาภะระปฏิภาณ น, นอาฏา น, นุกบัติไม่เกิดสิ่งประการใดขอสมมาตรางนาด้วยการทุกข์รุ่งุ่งามหน้าอกาสบัดนี้เทินเดตะ ม, มาอาภพาธหนักก็ต้องทนนี่แหละยาโยนทั้งหลายเป็นอย่างนั้นจริงๆ นี่แหละคนเราไม่เห็นความทุกข์ของตัวเองไปเห็นความสุขความทุกข์คนอื่นทําไมละตัวเรามีทุกข์อยู่มากมายก็ไม่หมายความจะแก้ทุกข์ให้จะตัวอื่นจะไปแก้ทุกข์ให้คนอื่นน่ะใช่วิสัยนักปราชญ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาชัดเจนนะไม่ต้องสงสยัยในคาสอนของพระองค์ น, นะความที่สงสัยต่อพระพุทธธรรมประสงคนะ์น่ะเป็นคนไร้สาระท่านสอนชัดเจนแนละ้วสอนชัด ทั้งนามาทำให้เห็นเป็นลูกประธรรมแล้วนั้นก็อย่าเอาไม่ได้ยังไม่มีความเข้าใจมันนั่งกรรมฐ า, ากนกันก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยก็ไม่ได้อะไรเสียเวลาเดือดร้อนอย่างนี้ยธตรมาก็เรยมไว้บาตรสองบาทถวายเจ้าปุถุในหลวงทุกวันถึงวันที่เก้าสวดธรรมาจากแม้แต่สตังเดียวใครถาวถายธรรมาไปส่วนตัวจะถาวายในหลวงให้หมดคุณใครพัฒนาเพื่อใค ไปพัฒนาประเทศชาติต้องไปถวายท่านในดาวฤศสี่แสนกว่าบาทคนละสะตังสงสตังค์เนึ่ยคนละบาทสองบาทถ ว, วายไปดวนตัวในวันที่เก้าอ้นเดือนจะถวายเป็นพระราชาผู้ชกให้พระองค์ไปพัฒนาประเทศชาติท่านจึงตั้งชื่อว่ากองทุนมูลนิธิใช้พัฒนามีชัยชนะด้วยการพัฒนาแต่คนไหนไม่พัฒนาแล้วคนนั้นไม่มีชัยแล้ว ชนะหรอกแพตลอดการแพ้ตลอดการไม่พัฒนาตัวเองไม่พัฒนาสังคมเนี่ยไหนเลยแล้วประเทศชาติจะไปรอดมีละเห็นใจในหลวงมากกอรมาเห็นความเหนื่อยากประวรกายแต่ทางทรงประชวรก็ยังต้องใจหยุดทิศใช้จะตปิปัญญาช่วยกระสุนในกะะอราษดรทั้งหลายใชัพัฒนาต่อมาก็จะถวายท่านนี่รวมว่าจะสี่แสนกะบาทเนี่ยก็จะถึงวันที่เก้ามิถุนา เหลือสองพานร้อยสามสิบเก้าก็คงจะเรียนลย้านจะไปถาวายท่านในรั้วในวังต่อไปจวก็ช่วยทุนการศึกษาราชานุเคราะหศของประเทศไ ป, ไปที่ท่านตองราชาลุเคราะ์เด็กยากไร ย, ยากจนชายแดนที700่เจ็ดร้อยคนเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งแต่ประเทศนี่ท่านเห็นการกลายบอกมาพอกคะได้สนทานากับท่านแล้วถ้าเด็กชายแดนเนี่ย มันยาก้าอยากจนไม่มีวิชาความรู้แล้วไม่มีหลักฐานมันจะก่อการ้ายขึ้นเห็นด้วยเลยชัดเจนประเทศเนี่ยอันทงเคยชนภงษาแค่สี่สิบเท่านั้นอันยังช่วยเหลือประเทศชาติเช่นเดี่กันอาตมา ก, ก็ไปร่วมกระท่าห น, นึ่งแสนบาทลาชาณิเคราะห์เด็กยากจนมันพ่อคะถ้าเด็กมันมีวิชาความรู้ขึ้นแล้วก็มันมีงานทาดีพ่อแม่มันก็รวยขึ้น ในเมื่อพ่อแม่ดีเนี่ยมันจะกอ่อกบฏต่อชาติไหมจะกอ่อกาลายในสงคมไหม น, นี่ตรงนี้ไม่มีใครคิดเลยแต่ประการใดเนี่ยมาสร้างวานนี้ให้เครื่องพิม์ตำรวจไปเอาอย่างดีก็แค่ยาวตีบัญชีได้ใชาไหฟ้าเนด็กตำรวจอำเภอพร้อมหายไปเครื่องแล้วไม่ดีงบประมาณรัฐบาลไม่มีก็ให้ได้เครื่องเนี้ยหายไปทุนส่วนตัวนี่เอาให้ทําบุญทั่วโลกเลย มาปยุโลกมาเครื่องบินเขาบอกบุญช่วยเดชญาส่วนทั้งโลกเทย่ามให้เลยเทหมดแล้วนี่ลราช่วยเดชั่วยโลกเราจะได้มีมีบริวารั่วยโลกบริวารดีด้วยนะบางคนเนี่ยเห็นตัวจริงๆมีเงินมีทองไม่สามพระไปในเครื่องบินไหลาองค์บอกเอาเหรียญมาเหรียญต่างประเทศเนี่ยมาทําบุญให้หมดโอ้จะเอาไปดูเป็นพิธีการเอาตามใจเราเทย่ามให้องค์เดียวทําบุญกับเขา ไอ้บริษั์หรือไอ้มูลนิธิอะไรจำไม่ได้ของฝรั่งเราก็ทําบุญไปหมดเลยนะเราจะได้มีญาติถึงยอดทั่วโลกมีญาติก็อิ็มญาต้องิ่มนจะหายทั่วโลกเคาไม่ทําก็เรียกของเขาเราก็เป็นพรไปสุกไม่มีเงินเลยแม้จะบาทเดียวนะตางเดียวก็ไม่มีแล้วแต่ก็ช่วยญาติโยมสอนธรรมะธรรมโมไปเท่านั้นให้โยมคนทุกโยมก็มาถวายแต่มาบาทรสองบาท ออไปทําให้หมดนี่บักนี้อป อ, อกพจปทมสาแห่งชาติจงังหวัดเชียงบุรีได้งบประมาณสร้างอาคารเป็นส่วนตัวส่วนอาคารของเขาเจ็ดล้านหมดงบประมาณไม่มีที่จะปรับปรุงหอประชุมมาขอให้ไปแล้ววันนี้ให้ไปลสามแสนสี0 0มืบาทเสร็จเอาไปเลยเราได้มาจากโยมโยมก็ถวายส่วนตัวสามารถทาได้ทุกๆุกอย่าง นานาชนิดนานาบุญเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเอาเลยเอาไปแล้ววันนี้บรรับไปแล้วสามแสนสี่มื่นบาทที่โยมให้จะมามานะข อ, อนมโมทนาเลี่ยมกันเถอะเอาบุญเลี่ยมการอย่าเห็นจะตัวเกินไปนักเดี๋ยวเราก็ตายจากตัวไปแล้วขอฝากไว้เแล้วตั้งธนาคารก็สารได้ล้านกว่าแล้วล้านกว่าแล้วเศษเท่าไรจําไม่ได้มีวันนี้ท่านมีชาตการท่านเอามา เคยตั้งธนาทานน้ำประท่านถ่วยน้ำทั่วไปเลยกองทหารก็ช่วยจะตั้งลงอุสากรรมของทหารขึ้นขา ย, ยดิบขายดีมั่งมีที่สุกทหารตกรเกษียนหรือออกจากรจช ก, การกดเต้นพิจิการสองปีก็ได้มีวิชาตีวตัวไปทันชีสการกลายมากเป็ น, นตัวสมสัตว์ฉันจะเลิกซ้อมเดี๋ยวก็พูงขาดฉนท่า น, านกรรมบวชที่นี่ท่านมีสติปัญญาก็คือสรรมฐ า, าน ไม่สติสัมปชาัญญะอยู่กับตัวคุณนั้นมีปัญญาคนที่ลร้สติขาดเหตุผลไม่มีปัญญาแหรอกทำอะไรก็ทําเสียหมดทําไม่งอกงามไม่งอกเงินแต่ไปตานใดทำแล้วหดหมดอะไรจะอยากจิตใจก็ลดละคาออกมาอย่างนี้แล้วยอมจะเอาอะไรมานนั่งกรรมาฐานตั้งใจหรือไม่ไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะทํางานด้วยในความตั้งใจถ้าทําด้วยศรัทธาตั้งใจทําต้องเสร็จ ไม่มีงานไหนที่จะเหลียววิสัยมนุษย์แต่ทําด้วยความตั้งใจไหมลาวําเพื่อสั่งาตายไม่จะทําก็ทำํำนึกไม่ทาก็ไม่ทําลงานเนะี่ยมันจะเสร็จทันทันเวลาไหมไม่มีโอกาสนะเราอยู่ในโลกทั่วคราวเดี๋ยวต้องคืนของก็ไปหมดเนี่ยของคืนเราสมบาตมนุษย์เดี๋ยวเราก็ตายตายไปแล้วต้องคืนให้โลกมนุษย์ไม่มีแล้วติดไปเลยนะติดติดตัวไปก็คือบุญกุศลที่เราสร้างกันเองกระทับใจ ติดใจแล้วก็รู้อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปมันเป็นอย่างไรก็สามารถจะติดดวงวิญญาณเราไปสู่สัมปริยพภะล้าลบในภพใหม่ต่อไปอย่าหลงโลกมนุษย์นักเลยอย่าเดยมนคนแก่จะตายเหนียวแน่นไม่อยากจะทําให้เป็นประโยชน์เลรวงชักสมบัติไว้ตายไปแล้วลูกมันก็แย่งกันหลานมันก็แยง่งการฟ้องล่องลวงสานกันมากมายใช่หรือไม่มีอะไรบาปถ้เห็นชัดชัด ตายไปแล้วยังมีบาปติดไปไอ้ลูกหลานมันแยกกันเก็บรวมไว้ให้มันแยกกันน่าจะเก็บเอาไว้ทําให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและประโยชน์ต่อประเทศชาติกับกษัตริย์ชนาพระมหากษัตริย์มัไม่มีเลยแต่ไม่ว่ากันนะแล้วแต่บุญของโยมถ้ายอมมีบุญกระทำคนที่ลายบุญวาสนาเมื่อขอยากจะทําบุญไม่อยากจะมีความสุขมีแต่ความทุกข์ระทมคมขื่นตลอดการเวลาเขาฝากว่าอย่างนี้นะ วันนี้กรมาเพราะอ า, าพาธหนักก็ต้องเกรธใจแต่ตองที้แจงแสดงไปให้เข้าใจใรถึงได้